วิญญาณในนรกหลวงตาท่านสอนพวกเราเสมอมาในเรื่องการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเพราะท่านได้ไปเห็นมาแล้วในทุกแดนโลกธาตุท่านเล่าให้ฟังว่าเสียงหหยหวนของวิญญาณที่ได้รับกรรมในนรกมันน่าสังเวชเหลือเกินมันเป็นเวรเป็นกรรมของแต่ละวิญญาณที่มีกรรมเป็นของตน ท่านไม่อยากให้เราต้องผจญกับกรรมในนรกท่านคอยย้ำอยู่เสมอว่าหากพวกเราได้เห็นนรกแล้วเราจะไม่อยากทำบาปอีกเลยมันน่ากลัวจริงๆหลวงตาได้พูดกับลูกศิษย์ไว้ว่าลูกศิษย์เราใครต้องตกนรกอยู่คุ้มไหนเราก็จะไปล่าตัวมันขึ้นมาท่านสัมทับว่าอย่าได้ประมาทต้องรีบสร้างบุญกุศลทานบารมี และอยู่ในศีลในธรรมให้ตลอดและหลายคนยังมีความสงสัยว่าพวกที่ร่ำรวยจากการที่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือขายเครื่องดองของเมาต่อไปจะเป็นอย่างไรท่านให้ความกระจ่างว่าบางคนยังเป็นเปนเรตเฝ้าบ่อน้ำจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่บางคนก็ได้รับกรรมที่ทำไว้ในชาติปัจจุบันมีคนสังเกตว่า คนที่ฆ่าไก่ฆ่าหมูหรือพวกที่ค้าขายสัตว์ประเภทต่างๆก็จะมีหน้าตาคล้ายกับสัตว์ที่พวกเขาฆ่าหรือค้าขาย